ตอนอบลมคอร์สนวมินครั้งที่2ระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมกราคม2560ตอนที่6วันนี้นะคะคดีเรามีจัดคอร์สแล้ววันนี้มันวันสุดท้ายจริงๆเลยวันครูนะแต่เราสมมติว่าวันนี้มันเป็นวันครูนะคะท่นี้วันนี้คือเราจะมารวมตัวกันเพื่อ สแสดงความกตัญญูกระทตเวทิตาต่อะโกบัญชาตั้งมรชัยนะคะที่เป็นอาจารย์ของพวกเราทุกท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เราได้พ้นทุกนะคะทีนี้เราจะส่งตัวแทนนะคะถวายผ่านดอกไม้แบบผ่านทูกเทียนนะคะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนคะ่ะขอเรียนเชิญ น, นะคะคุณบุญทรงหริชัยศัก์นะคะถวายผ่านทุกเทียนคะ่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญพิบัตดค่ะ สิริพรบันเอกวงนะคะค่ะพานอดอกนนนไม้ค่ะเชิญเลยนะคะอันนี้<อ>กับอาหารกับ<อ>ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะสองท่านนะคะจะเป็นตัวแทนถวายพานดอกไม้และทุบเคียนแทนพวกเราทุกคนนะคะออให้ทุกคนก็คือน้อมนำนะคะแสดงความกตัญญูต่อท่านครูด้วยกันทุกท่านนะคะค่ะ ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะเพราะอายุมากสุดนะครับยุะค่ะเชิญต่อเลยค่ะทุกบัตค่ะก้นยวนค่ะบขออนุญาตเหมือนกันนะคะอายุน้อยกว่าผมนั่นเอนเยี่มมากเหมือนกันค่ะ เชิญคุณหมอวัญชาค่ะค่ะเชิญคุณก้อยกลบาบพูณอีกรอบไหมคะค่ะหรือเชิญกับคุณก้อยกับคุณขอโทษด้วยค่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะปีกูค่ะเชิญเลยค่ะ ทุกท่านนะคะค่ะคล้ายๆทยอยมานะคะทุกท่านโดยที่เราจะออกประตูด้านหน้าและเข้าประตูด้านหลังนะคะ้อไม่ต้องดีกว่าพร้อมกันไป้ยไม่ไม่ต้องไมตกล่าพร้อมกันเลยดีกว่าโอ้เป็นแค่พิธีรีตองไม่ต้องไม่ตอประดานะคะโอเคงั้นเรากล่าวพระครูอีกทีนึงนะคะพร้อมกันค่ะกล่าวทั้งที่หนึ่งค่ะทั้งที่สองค่ะ คั้งที่สามนะคะค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็รับปังโอวาจากพ่อครูนะคะก็ศูนย์ที่นี่ก็ครบรอบปีหนึ่งนะตอนมาเปิดพ่อครูบอกว่าถ้าไม่ติดอะไรจริงๆนะทุกปีจะมาที่นี่วันครูก็เลยมาหน่อยหนึ่งนะครับ ที่นี้ทำไมเรามาเปิดที่นี่เพื่ออะไรนะครับ28ปีพ่อคูอยู่ในศูนย์เนี่ยมีอย่างเดียวเพราะนั้นคือเพื่อให้เราอยู่ทําธุรกิจมา28ปีนะ เ, เป็นนักธุรกิจวิ่งไปตามโลกไป40ปีกับ28ปีก็คือให้อยู่ที่ว่าให้แบบไหนให้อย่างไรโอกาสแบบไห่ต้องให้แบบไหน ที่ศูนย์ใหญ่เรามีสศูนย์ศูนย์จิตใจศูนย์ ส, สมองศูนย์ปากทองนะศูนย์สมองก็มีโรงเรียนสองแห่งโรงเรียนศูนย์ปนันค่อยหนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งแห่งเพราะกูทําให้เป็นรูปแบบให้รัฐบาลหลายรัฐบาลดูแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นนะครับก็ยกตัวอย่างคร่าวาว่าตําบลหนึ่งมีสิบหมู่บ้านก็มี10บรัฐบาลก็พยายามส่งบสนุนการศึกษาก็มีสิโรงเรียน แต่หมู่บ้านหนึ่งโรงเรียนหนึ่งมีนักเรียน60คน50คนเจคนนะแล้วก็การบริหารโรงเรียนเล็กใหญ่กระชั้งเขาเอาเรื่องค่าหัวจำนวนเด็กไปให้โรนะงเรียนนี้เนี่ยมีปหนึ่งถึงปห ก, ก็มีครู3มคน4คนครูคนหนึ่งต้องสอนสองห้องนะคือถ้าคิดตามจำนวนห้องเรียนทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ยครูขาดไปเจดหมื่นตำแหน่ง แต่ถ้าไปเอาเงินภาบาลมาจ้างครูให้เต็มเลยนะครูคนหนึ่งก็ต้องสอนแบบวิชาเหมือนเก่าห้องนึ่งแบบครูจะเก่งมันจากไหทีนี้ไอสังคมแข่งขันเสรีเนี่ยมันไม่เป็นธรรมสำหกับคนจนเด็กในเมืองนี่เรียนจนถึงสุดไม่พอก็เสาวทิศไปปวดวิชาด้วยมันจะแข่งขันกันได้อย่างไรพูดถึงถ้าเกมแข่งขันมันก็ไม่แฟร์แต่ถ้าเราพกคูแล้พวกนะพวกกูหนีมันมาไม่อยากให้แข่งขันแต่เราหยุดความคิดแบบทางโลกไม่ได้นะ เพากูรู้ปัญหาหมดทีนี้บางโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนเล็กๆนี่ที่เขาดีเขาไปเจอคนที่ทุ่มเทเสียสลดแต่มันคิดเป็นมาตรฐานไม่ได้นะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นก็ไม่มีทีนี้พวกครูเคยนำเสนอว่าหนึ่งตบลหนึ่งแห่งถ้าเรายุบโรงเรียนสิบแห่งนี้มาอยู่แห่งเดียวเนะี่ยครูจากขาดเป็นเกินครูเมืองไทยเนี่ยถ้าคิด หต่อยี่้าเนี่ยครูบางไทยเกินถ้าจํานวนหัวเด็กแต่ถ้าคิดตามจํานวนห้องครูขาด78็หมื่นตำแหน่งถ้าในแง่บริหารจัดการเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจพูดถึงว่าเราก็เจ๊งตั้งแต่ยังยังไม่ทําเลยเนี่ยแต่มันติดอะไรเยอะแยะเลยหลายกระบวนการเนี่ยนะก็คือกลายเป็นว่าผู้ ด, ด้อยโอกาสก็ยิ่งด้อยมากขึ้นนะเราจะหาสื่อเว่าเร า, เราแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีเราจะงบประมาณที่ไหนที่ให้เทคโนโลยีโรงเรียนเล็กมันพร้อม เด็กก็กลายเป็นเขาเกิดมาเขาได้ยโอกาสแล้วทําให้เขาพลาดโอกาสอีกนะเขาก็เลยเป็นเหยื่อของสังคมนะก็อันนี้คือพวกเราอยู่ในเมืองบางทีเราไม่รู้ปัญหาตรงนั้นนะเพราะครูก็เลยต้องมาเปิดโรงเรียนเองทําเป็นรูปแบบตัวอย่างนะก็หนึ่งตำบลเนี่ยสองโรงเรียนเนี่เรารวมแล้วเรารับคนสามตำบลนะสามสหมู่บ้านนะมูลทิพยไปรับตอนเย็นก็ไปส่ง มันก็ดีระดับหนึ่งนะพอเรารับมาเราให้ข้อมูลเราล้างเขาสะอาดพอกลับบ้านเขาก็เปื้อนอีกทีนี้ก็ลองเปิดอยู่ประจำนะปีก่อนนะเด็กอยู่ประจํากับเรานะก็ดีระดับหนึ่งนะแต่พอปิดเทอมปุ๊บพ่อแม่เขาเอากลับพอเปิดเทอมปุ๊บก็มาล้างใหม่แต่หลังจากเที่ยวนี้เนี่ยอาศัยบา ร, รมีในหลวงราชการที่เก้าเรา พระ อ, องค์สิริสวรณคนคตเนี่ยบังเอิญเด็กๆที่ศูนย์เนี่ยบังเอิญนะเราบวชถวายในหลวงตั้งแต่พระ อ, องค์ยังอยู่สิริราชเป็นพรรษาสุดท้ายจริงๆเด็กพวกนี้บุญเยอะนะบวชเข้าพรรษาเลยยังไม่ออกพรรษาเนี่ยวันที่13บเนี่ยพระ อ, องค์ข้อสอนทุคตเด็กพวกนี้ก็บวชต่อนะพระครูเลยว่าจากนี้ไปเด็กอยู่ประจําต้องบวชนะบวชชีบวชบวเนร เขปลอดภัยอารมณ์เขาเปลี่ยนเลยตอนที่เขาไม่บวชเน่ยคุณแม่ชีที่เป็นพี่เลี้ยงเน่ยนะก็อบรมปุ๊บเลยเขาหาว่าเขาถูกกดดันเขาถูกบังคับแต่พอเขาบวชปุ๊บเลยเขารู้สินวินัยเขาเองอารมณ์เขาเปลี่ยนเลยแปลกมากพ่อครูยังพูดกับแก้วว่าอยากให้เด็กไทยทั้งหมดประเทศนี้โกนหัวบวชซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เด็กไม่เอานะผู้ปกครองไม่เอากลัวลูกจะเป็นคนดี นะตอนนี้เรากวนวิทเรากวการให้รูปเป็นคนเก่งนะที่พ่อครูบอกแล้วเนี่ยคนเก่งทำานอยก็เก่งทำชั่วก็เก่งนะนี่คือฝ่ายที่เป็นศูนย์สมองเราศูนย์จิตใจแล้วก็มีศูนย์พัฒนากายจิตนะก็เรามีภิกษุภิกษุณีแล้วก็สามเณรแล้วก็คุณไม่ชีแล้วก็อุบาสกปฏิการเราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่พุทธบริษัทสี่ขอ้อคงถ้าในทางโลกเรียกว่าบ้านวัดบส คือบว์น่ะบ้านวัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันหมดข้อครัวใหญ่เรามีโรงเรียนเราเองนะเด็กๆที่บวชชีถ้าปถมเนี่ยอยู่ข้างในมีปถมแล้วก็ไปเรียนแต่ถ้าบวชมัธยมปุ๊บไม่ต้องไปโรงเรียนเรามีโรงเรียนมัธยมอีกตําบลหนึ่งนะถึงเวลาสอบครูต้องเอามาสอบที่นี่นะเขาเรียนวิชาชีวิตจริงๆนะเราเราสร้าง protection กป้องกันภัยเขานะอันนี้คือศูนย์จิตใจแล้วก็เด็กพวกนี้ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเอาคุณธรรมเขาตื่นขึ้นแล้วก็มีความผิดชอบมากขึ้นนะครับส่วนศูนย์ปากท้องนะตอนนี้เราไม่พอเพียงนะเพราะเราเลี้ยงคนวันหนึ่งประมาณพันคนนะมันก้าวกระโดดหลายปีมา เพิ่มเพิ่มเพิ่มคนแต่ว่าไอไอแหล่งอาหารเราไม่พอก็บังเกินอาศัยบรรมีในหลวงของเราราชการที่เก้านี่แหลนะเหมือนท่านเตือนสติพระครูนะเพราะวันแรกที่พระองค์ทรงขึ้นคองราดเนี่ยในมีพระชันษาส9เเองเนะพระองค์เป่องออกมาว่าเราจะคองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามและเจปีของพระองค์เนี่ย ก็ตั้งมั่นทําจริงๆไม่มีปกพ้องเลยเพราะพระองค์มีลูกหลายคนพระองค์ต้องแก้ทุกปัญหานาะเ0ิปีทําี่พันกว่าโครงการไม่มีในโลกนี้ใครทําได้นะส่วนพระองค์ทําจริงตัวส่วนคนอื่นรับช่วงไปจะทําจริงแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พระองค์ได้ทําหน้าที่สสมบูรณ์แล้วพระกูจึงบอกว่าในหลวงเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระซึ่งเป็นอริยเจ้าโดยแท้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว เราต้องภูมิใจว่าเราเกิดมาได้ได้พบพระโพธิสัตว์ทีนี้พระราดำหับสุดท้ายเนี่ยตอนปีใหม่ 2,559 ส่งท้ายปีเก่า58เป็นครั้งสุดท้ายนะพระองค์มีดำหรับว่าชีวิตเราไม่ใช่มีความสุขฝ่ายเดียวมีทุกข์ด้วยเห็นไหมเริ่มแรก70ปีที่แล้วพระองค์พยายามจะทำให้ความสุขให้หมดชนนะแต่พระองค์ก็ทำมาทุกอย่างพระองค์เลยสรุปว่า ชีวิตเราไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวมีความทุกข์ด้วยนะจงเตรียมความพร้อมและลงท้ายว่าอย่าประมาทนะซึ่งตรงกับพระพุทธเจ้าเราวันสุดท้ายจะจากเราไปก็บอกอย่าประมาทนี่แหละคำนี้เป็นการเตือนศูนย์บาลานคอยทุกคนลุกขึ้นมาทั้งพระทั้งเนรทั้งชีนะทั้งญาติโยมเนี่ยช่วยกันปลูกผักนะสร้างแหล่งอาหารเราให้มันพอเพียงนะนี่คือความไม่ประมาท อันนี้ก็ลอยให้ฟังบางคนไม่เข้าใจว่เอ๊ะพกกูหาเรื่องไม่ชีเต็มศูนย์เลยอะไรอะไรเลยเนี่ยเอ๊ะเราทำความดีเพิ่มมันผิดด้วยเหรอเห็น ไ, ไหม <c oughs> คนเขาหนีร้อนไปพึ่งเย็นปฏิเสธได้ไหมนะถ้าทุกคนในประเทศนี่ที่พกกูบอกปลงผมให้ในหลวงหมดนี่นะมันจะไม่มีการทะเลาะกันนะปลงผมภาษาไทยคำว่าผู้ชายเขาเรียกว่าผม อออถ้าผมเป็นนานนานกลายเป็นอีโก้อะไรก็ถ้าอาจารย์พุทธทาสพูดภาษาข่อคุณราม อ, อะไรก็ตัวกูของกูนะถ้าล ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้ารู้จักปรงผมบ้างเนี่ยมันจะลดอัตตาปรงผมคือทาลายอัตตานะอันนี้สมของการบวชอันนี้สมของการบวชนะมันเป็นแค่พิธีดีดตรงแต่ว่ายิ่ง สุภาพจิตีเราเนี่ยถานว่าโกนผมง่ายไหมเพราะชีวิตเราอยู่กับทรงผมมาตลอดทรงผมไม่สวยยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเห็นไหมกลัวเขาว่ากลัวเขาหมองเป็นอุปทานมากเลยถ้าเรากล้าปลงเมื่อไหร่เนี่ยนะอินท ร, รีย์พละงของจิตเราโผล่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะเราจะไรับอิสระภาพตรงนั้นเพราะกูเคยเล่าเรื่องนี้หลายๆครั้งแล้วว่ามีคุณหมอคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อชาว่าเพื่อนเขาก็จบหมอนมาด้วยกัน ก็กตันอยู่พ่อแม่จะบวชสนองคุณพ่อแม่เจ็ดวันบวชไปบวชมาไม่สึกเลยเห็นไหมพ่อแม่ก็ยากจนเป็นลูกคนโตคิดว่าส่งเรียนจบแล้วนี่จะมาเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องนนะอันนี้บวชไม่สึกเลยคุณหมอคนนี้ก็ไปต่อว่าว่าศาสนาพูดสอนอย่างนี้เหรอไม่กระตันอยู่หลวงพ่อชาพูดว่ายังไง บอกว่าเท่าเรียนจบแล้วเนี่ยเราออกมาทํางานเลี้ยงพ่อแม่เดี้ยง น, น้องๆกระตันอยู่เทียบเท่ากับตะ ก, กั่วก้อนหนึ่งชั่งกิโลขายได้เนาะมันมีค่าแต่ถ้าจบมาแล้วปวดปุ๊บไม่สึกเลยเนี่ยเทียบเท่ากับทองคําก้อนหนึ่งนะคุณหมอตอนนั้นงงเทียบเท่าได้ยังไงบังเอิญบังเกิดเทพที่เขาอัเดเรื่งนี้ไว้มันมันเก่ามากสมัยก่อนเป็นเทพคัดเศษนะ ญาติธรรมก็มาถามพกก่อกูหนูก็บอกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะพ่อ ก, กูเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันที่เขาบวชเนี่ยเขาได้อะไรเขาแด่โปรงผมทําลายความสวยงามใช่ไหมใช่โปรงอะไรอีกโปรงเสื้อผ้าที่สวยงามมีสีเหลืองๆสีเดียวโปรงอะไรอีกโปรงอาหารเย็นอีกก็อย่างไหมเออแล้วก็ไปเที่ยวเตะอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้โปรงความสนุกสนานด้วยถามว่าเขาเห็นแก่ตัวไหม อันดับแรกเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่ได้เป็นเสพสุขไม่ใช่บวชแล้วเขามีรถเป็นมีรีสอร์ทให้นะมีมีบังกะโลให้นะแล้วไปอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายอันดับแรกเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวอันดับที่สองเวลาบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยเ อ, อระหว่างแม่กับลูกเนี่ใครไหว้ใครใครไหว้ใครครับนะตอนบวชแล้วเนี่แม่ไหว้ลูกถ้าแม่ไหว้ลูกนี่อาเพศนะตอนนี้แม่ไหว้พระเลยถูกแล้ว นี่คืออุบายในการบวชนะแม่ก็รักลูกลูกล ก, ก็รักแม่แม่เป็นเบาหวานแม่บอกว่าช้ากูซื้อของหวานให้กูกินนั้นไหนกูก็ตายแล้วอ่แล้วก็อยากให้แม่มีความสุขล้วก็ซื้อของหวานให้แม่กินเนี่ยรักแม่หรือหรือหรือทาให้แม่ตายผ่อนสงเรารักแบบนั้นไงโอ้แม่ดีใจฉันก็กอดเธอเธอกอดเธอก็ออกอดฉันนะกอดเป็นข้ามภพข้ามชาติ ชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติหน้าเธอเลี้ยงฉันแต่การบวชเนี่ยพ่อแม่รักลูกที่ผ่านมาคนจนก็อ้างว่าไม่มีเวลาไปทําไปไปวัดคนรวยก็อ้างว่าไม่มีเวลาไปทําบุญแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาก็ต้องมีเพราะรักลูกก็ไปวัดเมื่อไปวัดปุ๊บไปเลี้ยงพระที่วัดถ้าเป็นพระจริงๆนะท่านกลัวเป็นหนี้เราเนี่ยท่านก็ให้ธรรมทานให้ข้อคิดเพื่อให้เราปล่อยวางตอนนี้ไม่ใช่ลูกเราแล้วเขาเป็นพระแล้ว แม่ก็ได้ไปไหว้พระแม่ก็ได้ไปทําบุญทุกวันแม่ก็ไอ้ล้างอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในลูกกูลูกกูนี่คืออุบายวิธีในการตัดวัตะสงสารทีนี้มันมีเคสหนึ่งข้อควหนึ่งเป็นผู้พากษานะมาปฏิบัติภพกูหลายปีมาครั้งแรกนะเวียงไปเวียงมาภรรยาผูาา้พากษานี่เข้าไปในจิตได้ก่อน ตอนนั้นอายุประมาณ4นะี่สิบเนาะเป็นคนแก่อายุเก้าสิบเดินรอบศาลาเอาไม้กวาดประกูเนี่ยเป็นไม้เทา้าเนาะผู้ถามยายยายไปไหนไปเยี่ยมหลานบอกว่าเธอแก่แล้วอู้คิดถึงมันเป็นยายไม่ยอมว่างสักพักหนึ่งผู้พิพกากษามานั่งเขาไปในจิตร้องโ อ, โ อ, โ อ, โอ้คุณยาได้ยินกัเดินเข้ามาในศาลามาทำอะไรมาลูกหัวลูกเอยลูกเอ้ยอ ย, อย่าร้องให้ พอจะกรรมฐานร้องให้มาเล่าให้ผู้กูฟังนี่กันมันจะอยากกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องทีนี้พอศึกษาดูล้วผู้พิพากษาก็เป็นคนดีนะพยานเขาเป็นคนดีคนดีคุยกันไม่รู้เรื่องจะจะอยากกันเพผูพิพากษานี่ตัดสินอะไรแล้วเนี่ยรู้ว่าลึกๆไอ้จาเดินนี่มันไม่มันไม่ผิดแต่พยานหลักฐานมามันผิดไงถ้าไม่ตัดสินตัวเองก็อยู่ไม่ได้ ไปปล่อยนกปล่อยกาก็นอนยังไม่หลับไปเผลอไปขโมยกินเหล้าพูดภาษากินเหล้าไม่ได้นะคือเสียบุคลิกภาพไปขโมยกินนะพอเมามาก็คุยกับลูกเมียไม่รู้เรื่องเนะคนดีสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็มีหมอท่านหนึ่งก็แนะนําให้มาปฏิบัติก่อนจะย้ายไปจังหวัดอื่นมาอยู่ที่ปูเจ็ดวันนั่นแหละสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นภรรยาแกบอกว่านี่แหละแกเล่าให้ฝั่งเมื่อกี้นี่ยผูนะ้ทักษานี่เป็นใคร อดีตเป็นลูกชายเกิดมาเป็นแม่เขาไม่ได้่าเป็นภรรยานี่รับใช้เขาอีกนะความผูกพันเนี่ยมันมันผูกกันไปนะมันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอันนี้สมของการบวชในทางศาสนาเพื่อจะทำให้ลดตัดตรง น, นั้นนะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามูทิตาอุเบกขานะ ก็ น, นี่เล่าให้ฟังสุดจิตใจเราก็ดําเนินไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมครูคิดว่ามันมีประโยชน์ไอแนวที่เราปฏิบัติไม่ใช่เรื่องจิตอย่างเดียวเรื่องกายภาพด้วยกายฟิสิกส์เฟิ่องเลยก็เริ่มมาเปิดกันทีนี้บังเกิดมาเปิดตรงนี้ตอนนั้นอยู่โคโยฮะน้าหานผู้ดูแลนะคุณใหญ่เจ้าของโคโยฮะก็เคยไปบวชกับพ่อครูนะคุณหมอบัญชาพาไปนะก็ศรัทธาบอก ว, วเออให้ไปใช้สถานที่แกไม่ต้องเสียสตางไงตอนนั้นเราก็ปฏิบัติ ฟรีหมดนะคิดอาสาเราไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วทุกคนควักเงินค่าเดินทางมาเองนะไม่ต้องจ้างนะแล้ก็ดําเนินมาช่วงหนึ่งทีนี้ทุกคนคับแคบแล้วนะก็เลยหาสถานที่ใหม่บังเกินตรงนี้ไม่ใช่ของเรามันมีค่าเช่านะมันมีค่านา้าค่าไฟเราก็เลยบอกว่าพ ก, กูต้องการให้มันทาเป็นสากลไม่ให้ติดพร ก, กูถ้าวันไหนไม่มีพรกูนี่สิ่งนี้ต้องเดินไปเพราะมันมีประโยชน์ต่อมรุษยอาชา ก็เลยตกลงว่าลองทำเป็นรูปแบบชมรมเป็นสโมอสรอมีสมาชิกสมาชิกทุกคนเนี่ยเสียสลากคนเล็กคนน้อยเนี่ยมาเป็นม่ดูแลมันพอเราลองมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยมันไม่ครอเบอร์นะมันมันไปไม่ได้นะพอไปไม่ได้พราะกูบอกว่าไม่ต้องเก็บเงินจากวันนี้ไปฟรีหมดเดี๋ยวพวกกูดูแลเองนะเพราะคนไทยเราบางทีมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเอ๊ะ ต้องเสียเงินค่าสมาชิกนี่เขาเกิดลังเลยแล้วคนที่มีไม่มีสตังค์เนี่ยเขาก็พลาดโอกาสนะจากนี้ไปมาฟรีนะเพียงแต่ว่าท่านที่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคิดว่าจะต่อสมาชิกโดยสํานึกโดยความสมัคใจเนี่ยเราก็มาทําบุญร่วมกันนะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องต่อนะมันจะขัดแย้งว่าเออวันนี้วันวันครูนี่ อุปโล์ให้พ่อครูเป็นครูแล้วทุกคนมาทำว่าครูแล้วมีผ้าป่าด้วยเนี่ยมะเจ้ายังไงก็ไม่รู้นะพ่อครูก็งวเหมือนกันนะนะเอาเป็นว่าให้มันเป็นบุญอย่างเดียวก็แล้วกันนะส่วนถ้าใครเป็นสมาชิกก็ถือว่าเหมือนสมัครเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของพ่อครูปกติคนใหม่ๆไปที่ศูนย์นะเราให้ลองอยู่ดูสิบวันว่าตั้งใจปฏิบัติไหมแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ย ไปทุกเมื่อเพราะกลับไปบ้านเราเนาะเพราะเรารู้แนวทางเราแต่ถ้าคนไม่เป็นสมาชิกไม่รู้แนวทางเออไปไปมาม า, มาใช้ประโยชน์ก็ไปนะก็จากวันนี้พระครูเขบอกว่าศูนย์ที่นี่แล้วก็เรามีอีกศูนย์หนึง่งเมื่อวานเนี่ยพระครูสงช่างจากขุบนเนี่ยที่นนโมดีเพิงซ่อมเสร็จนะพี่ตากับพี่รัช ก, ก็มาอยู่เขาเป็นเจ้าของสถานที่เขาก็มีเมตตาทําเปิดบ้านให้เป็นวัด น, นะอันนั้นไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรอะไรนะ พิตาบอกแรกๆค่าน้าค่าไฟแกจะจ่ายให้หมดนตเพียงแต่ว่ามีแค่ตู้บริจาคถ้าใครจะช่วยกันค่าน้าค่าไฟที่ต่อไปถ้าเกิดมันมันมันมีปัจจัยเยอะนยก็เลี้ยงอาหารเลยเป็นลงทานไปเลยนะเนี่ยก็นี่านุโมธนาสาธุก็เขาจะเปิดเดือนหน้าวันที่12นะครับใครอยู่ใกล้นนบุรีก็ไปใช้ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะทีนี้เรามีกิจกรรมหนึ่งนะ กิจกรรมนี้เนี่ยต้องเป็นภาราน้าหาพนพรานอาหารจะดูแลศูนย์ตั้งแต่ว่องวานิดแล้วก็โคอยู่คนะก็มาที่นี่ว่าน้าหานพอเด็กๆ เ, เขารันที่นี่นอาหารด้วยไปข้างนอกเรียกว่าในหลวงพระองค์ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เห็น ไ, ไหมอันนี้เราตั้งหน่วยกายกพิสิกส์เฟิงอารมณ์ดีชี่พิสุดเคลื่อนที่ไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะบางครั้งไปให้ฟรีแล้วบางทีเขาไม่เขาก็ไม่รับก็บมีเนาะ คือคนเขาไม่ชอบของฟรีนะก็หน่วยนี้เขากำลังทําหลายเดือนมาเนี่ยนัอาหารเข้าไปทุกหลายโรงพยาบาลนะหลายองค์กรโดยเฉพาะเรามุ่งไปที่คนแก่คนชรานะครับทีนี้มันเยอะขึ้นไงนะโปรแกรมเยอะขึ้นก็วันนี้พ่อครูก็ขอประกาศนะกลุ่มอาหารก็ขออนุญาตว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปในทําลายทําอะไรนะเป็น อาส า, าอากลุ่มจิจอาสานะอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพาะว่าท่านใดสนใจถ้าอยู่ในแวกใกล้ๆตรงนั้นถ้าพกทีมอาหารไปเนี่ยเราจะปิดอาสาช่วยกันนะทำบุญด้วยกันนะไปช่วยปลดทุกข์ให้ทุกคนอันนี้ก็ยินดีนะ ก, ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะเราไม่ได้ค้าขายเราทําเพื่อให้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับส่วน ศูนย์แบบนี้เนะี่ยที่ไหนถ้าใครพร้อมนะจะเปิดบ้านให้เป็นบ้านแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยกันสร้างขึ้นเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยพักผู้ศึกษาแล้วเนี่ยหลายคนอยากมาที่นี่ไอ้ที่มาไม่ได้เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือรถติดบางทีเดินทางมาที่นี่ไปกลับก็ครึ่งวันแล้วแล้วมาปฏิบัติไม่กี่ชั่วโมงก็กลับไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เลยว่าใกล้ตรงนั้นเเอ า, เอ า, เอาตรงนั้นนะเป็นวันที่นี่เราเปิด ใหม่ๆคนละแวกนี้เขาก็เห็นฟิตเนสเขาก็ขับรถเข้ามามาดูอะไรมาเปิดห้องดูว่าใช้เครื่องมืออะไรทุกคนติดบ่วงว่าถ้าฟิตเนสปุ๊บก็คือเพาะกายอย่างเดียวไงพรากครูอุตสาเหเขียนว่าชีวิตฟิตเนสใช่ไหมชีวิตมันเกี่ยวกับกายกับจิต ด, ด้วยแต่หลายคนไม่เคยศึกษาเรื่องจิตโ ด, ดยเฉพาะพิธาีสายเขาไม่เชื่อเรื่องจิตอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มองในแง่ว่าใช้เครื่องมืออะไรมาเพาะกายะนะถึงว่าเราต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะ ก็พยายามจะให้คนในโซนนี้เนี่ยนะให้เข้ามาใช้ประโยชน์เยอะๆวันเสาร์อาทิตย์นี่ทุกคนหยุดพักก็มาแต่จันทถึงศุกร์เนี่ยเราหยุดวันจันใช่ไหมอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยก็กลุ่มแม่บ้านนะแล้วก็กลุ่มนักเรียนอย่างโรงเรียนครูก้อยเนี่ยเขาทำอยู่แล้วถือว่าเราก็ต้องเจาะลึกกลุ่มโรงเรียนแถวนี้นะซพราว่าวันอังคารเป็นวันเด็กนะโรงเรียนก็พาเด็กมาอบรมที่นี่ได้วันวันพุธ เป็นวันสบวนะเออเป็นบรรสวผู้สูงวัยแต่ถ้าทำเป็นวันพระวันพระฤหัสนี่เป็นวันสสได้ก็ดีนะถ้าเอาสสมาเวียมหน่อยบ้านมันจะได้ดีขึ้นก็คือเราต้องการให้มันเกิดประโยชน์นะคือไหนๆเราก็มีตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีสัญญาเขาก็หปีอย่าปล่อยมันเฉยๆนะก็หลังจากกรุงเทพจะเดา๋ยวทคุยกันว่าเออที่นี่มี นะศูนย์ใหญ่มูลนิธิเราก็พวกมูมาลงทุนซ่อมให้ทำน้อยให้ล้านกว่าบาทเนี่ยเราทำบุญบรแล้วจบนะไม่ใช่ว่าจะแปลเอาทุนคืนไม่ทำบุญแล้วก็คืนจบบีแต่ว่าที่นี่ขอให้ดำเนินไปได้นะก็แจ้งข่าวบางคนก็ว่าเอ๊ะพวกูททำอะไรอยู่นะก็ทำเพื่อใหนะ้ส่วนได้ให้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของอแล้วแต่เหตุปัจจัยนะ ที่นี่ไม่ใช่ของใครนะมีอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือมันขาดอะไรไม่ต้องตอบว่าใครนะเป็นของพวกเราทุกคนก็ช่วยให้คําแนะนําชี้แนะเรามาช่วยกันนะบ้านเมืองต้องสร้างจิตอาสาขึ้นมาเยอะๆต่างคนต่างจะเอาตัวรอดทุดท้ายไม่มีใครรอดสุดท้ายไม่มีใครรอดทุกคนจะทุกหมดนะเราต้องสอนเด็กเราการให้นี่ยคือความสุข นะทานศีลภาวนานะหน้าที่หลักของทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเพื่อทำสามอย่างนี้ทานศีลภาวนาแต่การทามาหากินการเลี้ยงชีพอาชีพเนี่ยเป็นส่วนประกอบของชีวิตทุกคนต้องมีอาชีพอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายเราต้องรักษามันให้มันอยู่ได้เพื่อจะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือทาทานศีลภาวนานี่คือเป้าหมายของการเกิด ไม่ใช่มาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะอๆแล้วก็รวยแล้วก็เสพ จ, จุกแล้วก็ตายแค่นั้นไอลิงนะลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีเจ้าหนี้ลูกนี้ไม่ต้องไปปวดหัว อ, อะไรอย่างนี้เรากลับไปเป็นทาสานไปเป็นลิงดีกว่าถ้าแค่แค่เรียนแล้ว เ, เอาตัวรอดเราต้องเรียนยุคนี้ไม่เรียนไม่ได้เพราะว่ามันจัดระบบวิถีชีวิตต้องมีความรู้เหล่านั้นก็รู้ไปแต่ไม่จบอยู่แค่นั้นไม่ใช่เอาตัวรอดเราต้องมีส่วนเกิน เพื่อทำงานที่ยิ่งใหญนะ่บางคนไม่ต้องมีส่วนเกินเรื่องเงินนะเราต้องมีเวลามาให้ทานเราไปจิตอาสานี่ก็ก็เป็นส่วนเกินเรื่องเวลาเอาองค์ความรู้เอาประสบการณ์เราไปแบ่งทันคนอื่นนี่คือเป็นการให้ถ้าสังคมเนี่ยฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันความสามาัคคีก็เกิดขึ้นนั่นหละคือความสุข นะก็เคยพูดตัวอย่างหลายครั้งละ่ะมีฝรั่งคนหนึ่งมาจากอเมริกาชื่อทาวิสเป็นเด็กหนุ่มตอนนั้น26ปีเขามาอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีแล้วละนะเขาเดินทางไปที่ศูนย์ไปปฏิบัติเคยติดยาเสพติดเขาคูก็ตั้งชื่อเทวาเพราะว่าทาวิสเด็กมานนอกมันเรียกยากมากให้เป็นเทวาเป็นเทวดาเลยนะเพออยู่เพี่ยงไปเบี่ยงมา นะพ่อปูก็สอบอารมณ์คนตะวันตกว่าก็มีปัญญาแค่ไหนบอกเทว่าถ้าเธอไปเราอยู่ริมเขื่อนนะศูนย์าระลานคอยนะถ้าเธอจับปลามาได้ตัวหนึ่งยาวสองเมตรเนี่ยเธอจะเก็บไว้อย่างไรกินนานที่สุดอนะเขาก็นั่งคิดเขาก็ดีดนิ้วเขาบอกว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือแร่เป็นชิ้นๆเอาพลาสติกมาแร่ไว้แข่แข็งไว้ถ้ามีโรงงานทำปลากระป๋องก็ไปทำปลากระป๋องเขาบอกกินนานที่สุดบอกแค่นั้นเหรอบอกแค่นั้น ทีนี้พ่อคูก็มาถามพี่อ้อมตอนนี้เป็นครูแล้วละ่ะสมัยก่อนเป็นเด็กบรรนอกมาเรียนกศนอพ่อคูสอนเองนะรุ่นนี้รุ่นน้องขี้ลูกสาวพ่อกูเนี่เป็นรุ่นแรกรุ่นรุ่นหนูลงยานะพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมจับปลาได้ตัวหนึ่งยาวสองเมตรน่ยพี่อ้อมเก็บไว้ยังไงกินนานที่สุดเด็กบรรนอกไม่ต้องคิดเลยนะเขาบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้นเอาชิ้นที่ดีที่สุดไปเลี้ยงพระที่วัดเอาชิ้นดีที่สองเนี่ยไปให้ข้างบ้านเนเวอร์ Never. เอาชิ้นที่ดีที่สามเนี่ยมาทำอาหารกินในครอบครัวเอาชิ้นที่ดีที่สี่เนี่ยมาตากแห้งมาทำปล า, ากินข้ามภพข้ามชาติวันที่เราไม่สบายข้างบ้านมันจับปลาได้มันก็เอามาให้เรากินเห็นไหมแลวบุญที่เราสร้างไว้เนี่ยเวลาตายปุ๊บเอาไปใช้ในคนตชาติอันนี้คือภูมิปัญญาไทยแต่มันกำลังสูญพันธุ์ไปแล้วนะ ชุมชนเขาไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเขาแก้ปัญหาสังคมด้วยฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันแต่ตอนนี้มันล่มสลายหมดละหนุกสาววิ่งตามเมินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเดือดร้อนให้พระครูต้องมาเปิดโรงเรียนรองรับเด็กเหล่านี้นะแต่มีความสุขนะพรอครูมีความสุขนะการให้คือความสุขอย่างยิ่ง การได้เป็นแค่ความดีใจสะใจชั่วขา่าวแล้วมันอยากจะได้อีกมันไม่มีวันสิ้นสุดพอถูกเขาแย่งไปก็เลยทุกนะผู้เจ้าพูดอะไรไม่ผิดทานศีลภาวนาทําแค่สามเรื่องง่ายๆไม่ต้องมาเรียนเจ็ดแปดหมดพุชารูก็เครียดจบมาแล้วเป็นด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องนะถ้าเรียนแบบนั้นไม่ต้องเรียนเลยนะนะเรียนก็ลําบากแล้วจบด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษา แสดงว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เรื่องนะตอ น, นเด็กๆคุยกันรู้ดีเล่นกันดื้อๆคุณแม่บอกลูกหยุดยุดห ย, ย, ยุดเลยนะเขาไม่ถามเหตุผลเขาไม่เพราะเขาลักคุณแม่ตอนนี้คุณแม่บอกหยุดพี่เขาผิดน้องมันผิดเถียงอยู่นั่นแหละนะยิ่งเรียนยิ่งคุยกับคุณแม่ไม่รู้เรื่องเพราะเขาหลงว่าเขารู้ถ้าคนรู้จริงเนี่ย ไม่ต้องให้พ่อแม่บอกด้วยนะแต่ตอนนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้เพราะไปหลงว่าตัวเองรู้ความรู้ที่เขาเรียนมาเนี่ยแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนี้ต้องระวังนะเพราะกูสร้างคอมพิวเตอร์กลุ่มคนไทย แ, แรกๆที่อเมริกาขายไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตนี่คือกับดักทางความคิดนะเด็กมันรู้มันท้องโลกมันรู้เหมือนคุณแม่เต่าหล้านปีอย่ามากเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นนะเขาหลงว่าเขารู้นะ แต่ความรู้ของเขาเ่งไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเขาเองเลยเขาเป็นแค่นักเรียนแบบนักก๊อปปี้เขาไม่รู้อะไรเลยจนคุยกับพ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มันรู้ไหมถ้ามันรู้จริงๆต้องคุยกับพ่อแม่รู้เรื่องยิ่งโตขึ้นยิ่งไม่ต้องคุยต้องคิดเป็นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสังคมมันลําบากแล้วเพราะเราเป็นลงความรู้แต่เราไม่มีปัญญาเราก็เอาวิชาความรู้นั่นน่มาเอาเปรียบคนอื่นนี่สร้างกรรมนะ ไม่ใช่เราฉลาดนะเรากลำลังเดินทางไปสู่นรกไม่ใช่เรื่องดีนะนะแต่ในทานโลกว่าดีดี ด, ด, ดีดีแล้วทําไมจะเครียดสิดีก็มีความสุขแล้วทําไมเครียดทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นไหมถ้าดีจริงๆริงเราต้องมีความสุขนะตอนนี้มันไม่มันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นแค่ความสะใจความพึงพอใจเท่านั้นเองนะก็วันนี้พ่อครูก็ถือโอกาสอุปโภคเป็นวันครูปีนี้มีสามครูแล้วนะ เขาว่าครูที่ที่ศูนย์บาลาน่อยวันแรกมาลงเครื่องบินที่สนามบินดรกอกก้อยก็ไปรับพระครูก็ไปทําพิธีวันครูที่โรงเรียนก่อนพทธามอันนี้ก็วันก็คุยไม่เป็นไรนะคือดีประเพณดีดีดีรักษาไว้มันเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมเรื่องกตัญญูรู้คุณความกตัญญูจะทําให้เราสําเร็จในชีวิต นะที่คนเห็นแต่ตัวคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งลาสุดท้ายเนะี่ยบางทีคุณเก่งหาเงินนะแล้วสุดท้ายคุณหาเงินมาเหมือนหมอบัญชาบอกเป็นเศรษฐีนั่งในรถเข็นอันนี้กรรมนะนะเราต้องกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะอันดับแรกพ่อแม่ดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างพ่อแม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีบังเอิญว่าขัดใจเราไงเราไปหลงว่าเรารู้เราก็เรียกว่าพ่อแม่ไม่ดีอันนี้เป็นบาป น, นะ ดีไม่ดีก็ต้องกล่าวถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะอันดับแรกอันดับที่สองนะนะครูผู้มีพระคุณนะแต่คนยุคใหม่ไม่มีเรื่องนี้เขาไปโรงเรียนเขาคิดว่าเขาซื้อเอาซื้อวิชานะแล้วครูก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้เป็นครูเขาให้เป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สาอาจารย์ขายวิชา ถ้าไปซื้อพิเศษก็กสอนพิเศษมันเป็นธุรกิจหมดเลยเนี่ยเวรกลัม น, นะคุณหมอเหมือนกันไม่ใช่หมอบัญชานะหมอทั่วไปไม่ใช่น่แหละหมอในอดีตเห็นคนไข้ทุกวันหมอทุกวันที่เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่เห็นหมอหรือหรือไม่เชื่อไปโรงพยาบาลนะ ถ้ามีโรงพยาบาลไหนมีห้องตรวจคนนี่มาบอกพ่อคูนะพ่อคูจะกาบสวยๆนะมีแต่ห้องตรวจโรคไปนั่งรองหมอสามชั่วโมงเนี่ยชื้อชืเพราะหมอไม่มีเวลาไงเวลาเป็นเงินเป็นทองนะปุ๊บ เ, เอายาไปลองอลองผิดลองใหม่เป็นหนูลองยาเนี่ยมันเป็นธุรกิจนิยมเห็นไหมทีนี้เขาก็ไม่ให้มีหมอและ้ะเขาฆ่าหมอทิ้งหมดเป็นนายแพทย์เป็นธุรกิจการแพทย์นี่คือทุนนิยม ไม่ใช่มันไม่ดีนะทุนนิยมถ้าพอดีพอดีก็ดีแต่ว่ามันไม่พอดีมันเกินไปปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วคิดว่าเราฉลาดอุ้ยเราเก่งเก่งหมดเนาะเออลวงมาใช้ตัวเองหมดไนอะ้ขาที่คนอื่นเขาไม่มีจะกินน่ะนะบาปนะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ทั้งรู้แต่แกล้งไม่รู้เพราะว่าเขาเองก็ต้องแข่งกับทุนด้วยกันไงเนี่ยทุนนิยมเนี่ยกลายเป็นว่ามาทําให้ความเหลื่อมล้ําเนี่ยทําให้คน เขาจนอยู่แล้วทําให้เขายากจนเห็นไหมเที่ยวนี้พวกกูเห็นเลยนะพวกกูอยู่ชน บ, บทเนี่ยทุกทรมานมากทุกมากเนี่ยเพราะว่าเป็นสังคมปลาใหญ่กินปลาเล็กดูดเข้าตัวเองหมดทรัพยากรในสังคมมันมีข้อจํากัดมีจํากัดเนี่ยเห็นไหมเราเป็นเครื่องดูดฝุ่นให่แล้วก็ดูดเข้าตัวเองหมดเลยอันนี้เป็นกรรมเนาะนี่แหละก็เร็วๆนี้ก็ก่อนจะเดินทางมา 4วันก่อนน ะ, ะเกษตรกรไปดูงานที่ศูนยนะ์ศูนย์ปากท้องเราสถาบัเศรษฐกิจพอเพียงเนะนีนะ่ยสามร้อยหกคนขับรถกระบะมาหมดเลยเต็มศูนย์เลยยี่สิบกว่าปีก่อนผู้ปูกเคยอบรลบนะอย่างมากก็จักรยานอย่างมากก็มอเตอร์ไซค์ตอนนี้เขาทุกข์มากเพราะเขาหลวงตัวแล้วสมัยก่อนเขาจนอยู่เขาจนอยู่ดีๆเขาไม่มีนี่ตอนนี้เขายากจนละอารมณ์เข้ามาเขาพยายามหาทาง พยายามหาทางแก้นะสมัยก่อนเขา้ขาจการก็พาไปเที่ยวไปไ ป, ไปดูเฉยๆแหละแต่เที่ยวนี้อารมณ์มันเปลี่ยนเขาเห็นทุกข์แล้วนะมันเป็นอีกคืนหนึ่งนะดีแล้วถ้าในแง่จิตวิญญาณเนี่ยไ ม, ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเที่ยวนี้ไปฟังะกูดตั้งใจฟังเลยนะเพราะว่าเขาพยายามจะหาวิธีแก้ของเขาเขาหลวมตัวไปเป็นนี่อะไรไงเนี่ยเป็นนี่เิ่เนี่ย จากจนอยู่ดีๆกลายเป็นยากจนแล้วสมัยก่อนตื่นกี่โมงไม่มีใครว่านะขยันขิดเก่งก็เรื่องของเราแต่ตอนนี้ถูกยึดที่ไปหมดแล้วเห็นไหมพราะครูต้องหาที่นี่ให้เขาสร้างบ้านอยู่นะตอนนี้มันมันมันมันมันกับทุนนิยมดึงเข้ามาหมดเลยสังคมยังไม่มีคุณธรรมปล่อยเสรีไม่ได้ถ้าเสรีแล้วเนี่ยต้องจับระบบควบคุมได้อย่างเมืองนอกเนี่ย ถ้าคือกําไรล้านหนึ่งเขาเก็บภาษีห้าสิบห้าสิบเปซ็นตไรสองลนะ้านหกสิบเลยคือเขาเบิกคนคนรวยถ้าจะช่วยเหลือคนจนต้องหยุดคนรวยซะคนรวยต้องหยุดแต่ไม่ใช่ไม่ให้รวยนะก็รวยแค่นี้พอไหมกินร้อยชาติเขาไม่หมดแล้วมาเป็นเศรษฐีกันดีกว่าสังคมไทยตอนนี้คนรวยเยอะมากแต่คนเศรษฐีน้อยมากไม่มีเศษรษวีเกินก็จะแบ่งปันถ้าโอกาสในการสร้างกุศล พลนะาดโอกาสในการให้ทานทานศีลภาวนาใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ต้องเอาเศษเอาคนรวยเนี่ยมาเข้าคอเสเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขาจะกลายเป็นเศรษฐีทันทีแล้วก็จะมีความสุขนะเขาจะแบ่งปันไม่ใช่ไปแก้ให้คนจนรวยขึ้นไม่มีทางเทคโนโล ย, ยียิ่งใหม่เท่าไหร่เนี่ย มันยิ่งห่างไกลเพราะคนมีเงินเขาก็ซื้อเขาก็กไกลเลยเดือยไอ้ที่ไม่มีมันก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าแก้แบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยคนจนเขาก็เป็นมนุษย์นะเขาจะปล่อยให้เขาตายเปล่าไหมโน no. มันไปทํามาหากินสุดจลิตไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้มันก็พ้นกินขโมยกินแล้วแล้วแล้วแล้วเราจะอยู่แบบสงบเย็นได้ยังไงนะนนี้เล่าให้ฟังพราะกูเคยผ่านชีวิต สีวิไลแบบวัตถุนิยมมาแล้วเนี่ยไปอยู่ในป่านั้นพ่าครูไปเห็นชีวิตทำไมเอ๊ะเขาจนอยู่ดีๆเนี่ยนักวิชาการไปสอนใี้เขายากจนวิชาการวิชาการหนึ่งเนี่ยพวกคูได้ยินบอกว่าเขาเรียกว่า เ, เขาเรียกว่าอะไรวิชาอะไรที่เออมันก็มันก็ลืมแล้วมันตับเนาะสังคมสงเคราะห์ มันก็ตั้งชื่อผิดละเขาเรียนจบมาเพื่อให้สังคมสมคะเขานะถ้าไม่มีเงินเดือนทำงานไม่เป็นล้วต้องเปลี่ยนชื่อใหม่สมคอสังคมนันทีภาษาก็ติดบ่วงนะเรียนเพื่อให้สังคมสมคอเขาเขาไม่เคยคิดจะสมคอสังคมเลยนะนั่นแหละทั้งหมดปัญหาทั้งโลกนี้ไม่ใช่เมืองไทย ที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะบอกแวงกันสงครามโรคขั้นที่สามพลังจาะ อ, อยู่สงครามล้างนี้ประเทศที่เศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกพูดได้เลยอเมริกาพวกปู๊เคยอยู่ที่ น, นู้นไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ความคิดที่เขาจะครองโลกนั้นไอ้ทุนนิยมก็ดีนะแต่คําว่าเสีดีนี่มันไม่ค่อยดียกตัวอย่างเราชชมวยเนี่ยถ้าไม่ชักน้ําหนักเนี่ยไอ้ตัวใหญ่มันย่อมได้เปรียบใช่ไหมคําว่าทุนนิยมใครทุนมากกว่า ก็ได้เปรียบเนี่ยเมืองไทยเราประเทศจิบจิบจะลงทุนไปกู้นี่ยืมสินไปลงทุนต้องเสียดอกเบี้ยก็บวกต้นทุนแล้วเนี่ยเขาลงทุนโดยได้ดอกเกกบี้ยเราจะอะไรไปสู้เขาขนาดเขาเอาเปรียบขนาดนี้น่ยตอนนี้เขายังไปไม่รอด น, นะอเมริกาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกน่าเชื่อไหมตัวเลขเป็นหนี้มากที่สุดในโลกมากกว่าประเทศอยู่แล้วบังเอิญเป็นหนี้จีนเขาแพ้ภัยทุเรียงเรื่อง เสรีไงปล่อยเสรีกินก็ไปซื้อซื้อซื้อไ อ, อ้ที่สําคัญเขาก็หมดเลยนะเขาแพ้ภัยตัวเองแล้วตอนนี้การเมืองเขาเปลี่ยนนะเขาจะเอาใหม่ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี่แล้วสุดท้ายเนี่ยสงครามล้าง น, นี้กำลังจ่อยนะอันนี้พวกผมก็เล่าประสบการณ์ที่ตัวเองนั่งอยู่ในป่านั้นนิ่งๆเห็นอะไรเกิดขึ้นพวกเราบางทีเล่นกระดานโต้คลืนอยู่นะพอ จมลงไปสำลักน้ำเราคิดว่าธรรมดาขึ้นมาเล่นดีเราไม่เห็นว่ามันอันตรายนะแต่พระครูนั่งนิ่งๆเหมือนน้มามันนิ่งนะฝุ่นละอองเม็ดที่ห น, นึ่งล่วงมาพระครูก็สัมผัสได้ใบมานก็สัมผัสได้เห็นขึ้นโลกมันเป็นยังไงนะก็บอกพวกเราก็ถือว่าวันนี้ต้องโมทนาบุญกับทุกท่านอุตส่าห์เสียสละเวลา อันมีราคาแล้วก็มีคุณค่าสาหรับชีวิตมาทําบุญร่วมกันนะการทําบุญต้องเบาบุญคือเบาบาปคือหนักถ้าทําบุญหนักอกหนักใจนะอย่าทานะมันไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทําบุญเฉยๆมันไม่เป็นกุศลจิตไม่เป็นกุศลละบุญมันเป็นบุญกิริยาเฉยๆนะทําบุญให้มันให้มันเบา โยนหินออกจาก อ, อกปุ๊บมันก็เบาทำลายความโลภความเตนีออกไปนั่นแหละคือความสุขนะก็เป็นยังไงต่อไปนะก็ก็ไม่ใช่เรามีโปรแกรมอะไรต่อไ ป, ไไปอไปอเดี๋ยวดูวไปทานข้าวกันเนาะ ก็ช่วงสั้นๆนี่ใครมีปัญหาอะไรไหมที่คิดว่าจะนําเสนออะไรที่พ่อกูพูดมาหมดแม้กระทั่งศูงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนเนาะช่วยกันรักษามันไว้ให้มันเป็นเครื่องมือพอเครียดปุ๊บผมมีเวลาปุ๊บมันมีไว้ก็เรามาฟิตเนสแหละแต่เไม่ฟิตเนสเฉพาะร่างกายแล้ว้องฟิตเนสจิตใจด้วยอารมณ์ด้วยนะช่วยกันดูแลมันให้เป็นประโยชน์นะให้เป็นประโยชน์ นะครับมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือ ว, ว่ามีข้อคิดดีๆก็ช่วยกันนำเสนอถือว่าเป็นของพวกเราทุกคนนะออจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเออนี่ฉนวนฉันนะวันนั้นเขาปล่อยข่าวว่าพ่อคูบัญชามีที่ทั้งเป็นพันไร่ทหารไปถามพ่อคูเขาบอกตอนนี้สองร้อยไร่พขอไปเยืนนะพ่อูว่าโอ้สองพันไร่ทำไมน้อยจังทั้งโลกนี้ที่พ่อูหมด มีแค่สองสองพระไร้ไปนั่งเฝ้ามันเหลืคนโง่นะแผ่นดินนี้เนี่ยมันของโลกของจักรวาลมันไม่ใช่ของมนุษย์ไปออกนโฉนดอะไรเป็นของฉันพอเขาลอบลวงมาลุกล้ำเลยฉันก็เลยทุกข์งไงพวา ก, กูจะไปโง่ทําอย่างนั้นเลยบอกนี้มันมาคือคนทุกวันนี้เนี่ยนายทหารเขาลากปะกูไงเขาบอกว่าต้องระวังเขาได้ยินข่าวคน คนพวกที่มือไม่พายก็เอาขาลานน่ะนะอย่าไปสนใจเขาก็าพูดกขาพูดไปเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะนะคนที่ไปแย่งแผ่นดินของโลกของธรรมชาติมาเป็นของตัวเองนะ่ะผิดศีล น, นะเราลักขโมยแล้วมันลักขโมยนะมันผิดศีล น, นะนะแล้วพวกกูเดินมาขนาดนี้แล้วจะผิดศีลได้เหรอนะคือคนที่มันมีความอยากแนละ้วมันตายไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคิดมันก็ไม่ต้องคิดเลย เราไม่ต้องคิดเลยนะแต่ทุกขั้นฝึกให้เป็นนักคิดเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่คิดได้เหรอทำไมไม่ได้ฮะไม่ต้องเสียพลังตํารวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าต่างหากทำไมจะไม่ได้ล่ะเห็นไหมไม่คิดก็ไม่ต้องปวดหัวไงไม่คิดก็ไม่ต้องกังวลไงไม่คิดก็ไม่ต้องสงสัยไงที่เราคิดเพราะเรามีความอยากนะตอนนี้บางทีพะคูนานๆไปในเมืองนะ แก้วทิพย์ก็ไปซื้อของเพ ก, กูเดินไปไปร้าน้านหนังสือเพราะกูจะดูคลื่นอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรก็ดูขายดีที่สุดสิ่งจุดมันคืออะไรนะบางช่วงเนี่ยสู้แล้วรวยนะขายดีมากคิดบวกนะน่าตกใจมากคิดก็คือมโนกรรมไงไปสอนให้คิดไงเพราะมันอยากได้ไงพรากูเคเห็นด้วย นะแค่ไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกทําไมคุณมีหน้าที่ทำอะไรคุณก็ขยันขันแขรงทําต่อไปคุณทํามันดีที่ไม่ดิบมันดีที่สุดพรุ่งนี้มันก็ดีพรุ่งนี้อนาคตมันก็ดีไงอันนี้อยากได้เยอะก็ทําไปด้วยคิดไปด้วยว่าเฮ้ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าว่ามันจะชนะหรือเปล่าว่าแทนที่จะเอาร้อยเปอร์ซมาทํางานที่เราทำเนี่ยทำห้าสิซก็ไปคิดอีกห้อซอารมณ์นั้นกังวลก็มากระทบงานที่ตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้สีมันแห้งทาสีอยู่ได้แค่ห 0% เนะี่ยคิดบวกแล้วมาสอนไม้กระทั่งว่าคนข้างนอกสอนไม่เป็นไรนะคนในวงการศาสนาเนะี่ยดังๆังดังดั ง, ด ง, ด ง, ดงมาสอนคิดบวกพราว่าพวกกูเห็นจิตเลยเนี่ยสภาว่าไม่ไปไหนไม่จะรู้มากเฉย เ, เขายกตัว อ, อย่างว่าในกอจะไปชกมวยกับาเขาเนี่ยถ้าบอกว่าให้กูแพ้แน่ๆเลยมันมันแฟบเลยมันไม่มีพลังเอ้ยกูชนะแน่นอนเลยทุกวันนี้เขามีคอตปลูกยักนะ คนคุยกันไปรู้เรื่องมันปลูกยักษ์มาคุยกันอะนะยากันขนาดนั้นนะนะปลูกยักษ์อ่ะนะคนคุยกันไม่รู้เรื่องปลูกยักษ์มาคุยกันเห็นไหมสมมุติว่าเราไปชกมวยโอ้ชนะเนี่ยมันเห่อเขินใช่ไหมเออถ้ามันชนะก็เสมอตัวไงเพราะมันคิดมมดชนะนะแต่คนที่มันเตรียมตัวว่ากูแพ้แน่ๆเว้ยเพราะมันแพ้มันไม่ทุกเลยนะเพราะมันเตรียมตัวแพ้อยู่แล้วไง แต่คนอยากช น, นะบังเอิญว่าเราคิดบวกบังเอิญเจอ ห, หมอท่านก็คิดบวกเหมือนกันตอนนี้ยักษ์ตีกันแล้วถ้าเกิดเราแพ้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ฆ่าตัวตายเลยนะเพราะมันอยากช น, นะบังเอิญมันแพ้ปุ๊บเนี่ยมันทําใจไม่ได้ไงเนี่ยคิดบวกคิดลบถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านยังอยู่เนี่ยต้องอาศัยภาษาท่านเพราะครูพูดแล้วมันทุกคนรับไม่ได้มันก็จัไนไรเหมือนกันอะไรคิดก็คือมโนกัง คุณปฏิเสธไม่ได้เมื่อคุณคิดบวกคุณไม่อยากได้ยากคือที่มาของทุกเนี่ยทุกสมูทไทยนี่โรดมาัาตัวสมูทไทยเนี่ยคือตัวตันหาคือตัวยากคือที่มาของทุกไม่ต้องคิดได้ไหมมีหน้าที่ทําอะไรตั้งมัน่นทํามันโทเทอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเราตั้งใจวาหนึ่งร้ออร์ซ็ตพรุ่งนี้สีมันแห้งมันก็ได้ร้อยไงอยาห่วงอนาคตมากนะัก ทุกคนอย่าห่วงอนาคตัางทีพ่อแม่ได้ยินหมดจะไปหาพ่อครูบัญชานะมันสอนไม่ให้มีอนาคตอนาคตมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ อ, อนาคตปีหน้าอนาคตชาติหน้าอนาคตอย่าห่วงทุกคนมีหมดทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทางานสุขทุกวันสุขทุกนาทีกำไรทุกวัน ไม่ใช่พรุ่งนี้สำเร็จเราค่อยสุขนันสอยกันอย่างนี้ไงมันถึงเครียดกันไปหมดไม่มีเรื่องก็ไป น, นั่งคิดเอ้ยพรุ่งนี้ไหวหรือเปล่าวะใช่ไหมยังไม่ไปทางานล้วก็เหนื่อยก่อนกลัวแพ้ไงกลัวจะไม่สาเร็จไงทำหน้าที่เราอยู่ปัจจุบันนะนะทำให้มันดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเมื่อเราทำดีที่สุดผลมันก็ต้องดีไง ถ้าทำไปด้วยคิดไปด้วยแทนอันนี้ น, นี้คอร์รัปชันนะอันนี้บาปนะอันนี้ผิดศีล น, นะขโมยเวลาทํางานแทนที่จะเวลาทำงานร้อเนี่ยถ้าเราซื่อสัตย์เราเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานร้อยเปอร์่ออารมณ์มันแทรกไม่ได้นั่นแหะคือความสุขอย่างยิ่งความไม่กังวลอะไรเลยเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเรากําไรความสุขเพราะเราซื่อสัตย์แต่ถ้าเราเป็นคอร์รัปชันหน้าที่เพราะเราอยากยังทําอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปทำโน่นเดี๋ยวไปทํานี่เราขโมยเวลาเนี่ย เราผิดสินพอคิดปุ๊บ ก, ก็เกิดความกังวลไงไอ้ความกังวลนั้นก็มาครอบงาสติเราทําลายหน้าที่ที่เราทําอยู่นี่ยนะ ค, คนผิดสินต้องรับกรรมนะพวกกูเรียกว่าคอร์รัปชันเวลาแต่ถ้าเราซื่อสัตย์ปุ๊บนั่นนะทำมาลักษาผู้กระทำเพราะเราไม่ผิดสิน เราตั้งมั่นซื่อสัตว์กับหน้าที่การงานหน้าที่หน้าที่ผมตัวเองกระชั่งหน้าที่ใหกระทั่งเราก็มีความสุขตั้งมั่นกับมันเมื่อเราตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้ปัญญาไหลามาเทมาอารมณ์แทรกไม่ได้ความไม่กันบวนนะ่ะคือความสุขอย่างยิ่ง น, นะนั่นแหละที่เรามาเข้าโปรแกรมนี้มาถอยมาอยู่กับตัวเองนะมาเต้นมาลำ มายืนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่นอนอยู่เฉยๆเนี่ยมาอยู่กับตัวเองตลอดเมื่อมาอยู่กับตัวเองเราก็เห็นตัวเองไงแต่ชีวิตเราไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทองเห็นแต่ข้างนอกพอหลับตาปุ๊บเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นตัวเองเลยคนโบราณก็บอกสู้สุด สิครั้งร้อยครั้งเนี่ยรู้เขารู้เราชนะทุกครั้งอันนี้ไปแอบดูคนอื่นแต่ไม่เห็นกําลังตัวเองเลยมีจตความอยากตายลูกเดียวโนะชคไมยได้เป็นเน่ยเขาบอกโอ้คนได้แชมป์ได้ล้านหนึ่งสิบล้านก็อยากเป็นแชมปอขึ้นไปก็โดนมันต่อยทุนอกทุกครั้งอนะ่ะเพราะเราไม่รู้กําลังตัวเองมีจตความอยากนะดูตัวเองบ่อยๆดูตัวเองบ่อยๆแล้วก็รู้ตัวเองมันก็เกิดปัญญาว่าตัวเองมีกําลังแค่ไหนทําแค่ไหนพอดี ช้างขี้ไม่ต้องไปขี้ตามช้างเห็นไหมเห็นเขามีเยอะก็อยากมีเยอะเห็นอยากเขาได้ก็อยากได้จนไม่ดูว่าตัวเองเนี่กําลังเป็นแค่ไหนคําว่าความพอเพียงเนี่ยของในหลวงเนี่ก็คือพอใจเพียงแค่มีตอนนั้นหลายปีก่อนมีทั้งวิชาการไปสอนพออยู่พอกินพอใช้ม่จะพูดเรื่องวัตถุนะจริงๆแล้ว ทฤษฎีใหม่ของในหลวงเนี่ยไม่ใช่เตรียมที่อินไม่ใช่เตรียมเทคโนโลยีไม่ใช่เตรียมทุนเตรียมใจถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราทาไปแล้วเจออุปสรรคเราจะถอยหมดมเตรียมใจนะพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้วนะในหลวงก็ไม่สอนให้ขี้เกียจพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้เกียจสอนให้มีวิริยะ ต้องขยันขันแข็งทําต่อไปแค่เราอยู่ได้นี่ยลิงมันก็อยู่ได้ทาสานอยู่ได้เราต้องมีส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันนะพัฒนาคนกลายเป็นมนุษย์ผู้เปิดเสริยก้าวไปสู่ความเป็นรยายย่ยบุคคลนั่นคือทางคนทุกข์ไม่ใช่แค่มาสร้างฐานะสร้างานะแล้วก็ตายวันที่จะไปนี่สลึงหนึ่งก็ไปไม่ได้เลยนะแล้วไปสร้างไปทําไมแต่ไม่ใช่ไม่สร้างนะทุกวันนี้เราสร้างเพื่อจะมีส่วนเกินทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เราจึงไดมีทานไงแมทานศีลภาวนาคือทางคนทุกข์เห็นไหมมันมันทำอะไรง่ายๆแค่ทำสามอย่างนะทำดีก็คือทานละชั่วก็คือศีลเห็นไหมขัดเกาจิตให้ผ่องใสก็คือภาวนาแต่แค่สามอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ที่พานอยู่ใกล้ๆนะมันอยู่ข้างในแล้วมันไม่ได้อยู่ไกลตัวไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่ข้างในแล้ว ทุกคนต้องถอยกลับเข้าไปข้างในไปเรียนรู้กับอาจารย์เรานั่นแหละเข้าไปในเว็บไซต์เราปัญญาอยู่ในนั้นไม่ใช่ไปสแสวงหาองค์ความรู้ข้างนอกไม่ใช่ความรู้คนอื่นหมดมีได้ไปท่องจําเรียนแบบนอกจะอย่างว่าเขาเรียกว่าเราทําวิทยาลูกพลปริยาทวีเกษตรช่างเนี่ยถ้าเอาไอเดียเราเขียนปุ๊บในสอบตกหมดต้องมีข้ออ้างอิงคนนั้นคนนี้พอถอนนั้นก็ถอนี้มันเวสาส์คนนั้นคนนี้ต้องไปคนคว้านะ ไปค้นหาข้อมูลคนอื่นไม่มีข้อมูลขอเราถ้าข้อมูลขอเราคุณไปสอบตกเพราะมันอ้างอิงไม่ได้ไงนี่เขาปีดให้เรางง่ตั้งแต่แรกแล้วจริงๆ <c oughs> คือนักวิทยาศาสตร์อ้างอิงแต่ทฤษฎีไอสไตน์คุณต้องเก่งกว่าไอสไตน์ถ้าคุณไปแค่พิพิตร์ไอสไตน์มันทำถูกแล้วคุณโง่มากเลย คุณต้องเก่งกว่าไอน์สไตน์คุณต้องเอาทฤษฎีมันพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ถ้าไปไปเขียนรายงานเหมือนสอบตกเนี่ยสังคมเขาบล็อกไว้ทุนนิยมเนี่ยเขาบล็อกการศึกษาไว้ให้เราเป็นแค่คกลไกหนึ่งขบวนการหนึ่งของเครื่องมืออะไหล่ชิ้นหนึ่งในการสร้างทุนของตัว น, นักเดียนเขาไม่ได้สอนให้เรารู้จักชีวิตแต่ไม่ใช่ทุนนิยมไม่ดีไม่ใช่สังคมนิยมไม่ดี ไม่ใช่ประเด็นการไม่ดีไม่ใช่คอมมิว์ไม่ดีที่มันไม่ดีคือคนมันไม่ดีนะก็จบดีกว่าเนาะจบแบบพันห้วนนี่แหละก็คือเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีพิธีดีตองโอเค